ภาคหนึ่งมัชเจนะธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมะที่เป็นกลางเอเตเตพรามณะอุโภอันเตอุนุปคมัมมามัชเชนะตถาคโตธรรมังเทเสติอวิชชาปจยาสังขาราสังขาระปจยาวิญญาณังนรรามตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้น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 คือการแสดงความจริงเป็นกลางพอดีตามสภาวะของธรรมชาติไม่เฉไม่เอียงไม่สุดตรงเลยเถิดไปเช่นไม่กลายเป็นอัติกวาดลัทธิว่าทุกอย่างมีจริงหรือนัติกวาดลัทธิว่าไม่มีอะไรจริงเลยไม่เป็นสัตสตวาดลัทธิว่าเทียงแท้หรืออุเฉทวาสลัทธิว่าขาดศูนย์เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรว่าตามธรรมะปฏิจจสมุปบาทกฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการใต้โรมมหาโพริรมฝั่งแม่น้ำเนรันชราพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วยังคงประทับที่นั่นเสวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาจากนั้นเสด็จออกจากสมาธิ ล้วส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ได้ตรัสรู้ตลอดสามยามแห่งราตรีโดยยามที่หนึ่งส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบอนุโลมคือตามลำดับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นของสภาวะที่เรียกว่าทุกข์จบแล้วมีพุทธอุทานใจความว่าเมื่อธรรมะทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจนก็สิ้นสงสัย เพราะรู้เข้าใจธรรมะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยนี่คือปฏิจจสมุปบาทปลายกระบวนการก่อทุกข์ที่เรียกว่าสมุทยัยคำว่าอุทาในภาษาบาลีไม่ใช่มีความหมายอย่างในภาษาไทยที่เพี้ยนไปแล้วแต่หมายถึงเนื้อความที่ผุดขึ้นปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งมักแปลงออกมาเป็นท้อยคำหรือข้อความเช่นเป็นคถ า, าด้วยความเบิกบานใจ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 นี่คือปฏิจจสมุปบาทปลายกระบวนการดับสลายทุกข์ที่เรียกว่านิโรธในยามที่สามส่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นทั้งอนุโลมปฏิโลมคือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นและกระบวนการดับสลายแห่งเหตุปัใจจัยในการก่อเกิดทุกขนั้นจบแล้วมีพุทธอุทานใจความว่าเมื่อธรรมะทั้งหลายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็ขจัดบำราษมานเสนาดั่งดวงสุริยาสว่างฟ้าเจิดจ้าอัมภัยรวมความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจะสมุปบาทหรือเมื่อต ร, รัสรู้ปฏิจจะสมุปบาทจึงเป็นพระพุทธเจ้าปฏิจจะสมุปบาทแปล ว, ว่าการอาศัยกันกัรเกิดขึ้นคือการที่อะไรอะไรปรากฏมีขึ้น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 หรือหลักทั่วไปก่อนแล้วตามด้วยหลักแจกแจงดังที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ห้าว่าดังที่ว่าเมื่อนี้มีนี้จึงมีเพราะนี้เกิดขึ้นนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อนี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีเพราะนี้ดับนี้ก็ดับล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย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 เคยตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกเล่มที่16หว่าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามทานนั้นคือทานหลักนั้นก็มีอยู่คงอยู่เป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามกฎธรรมชาติคืออิทปัปปจิยตาตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลัก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 ทรงไขความโดยแสดงปัจจัยาการหลักกลางไว้คือปัจจัยาการแห่งการเกิดทุกข์เกิดปัญหาดับทุกข์ดับปัญหาของชีวิตมนุษย์เรียกง่ายๆว่าปัจจัยาการของชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเรื่องใกลชิดที่สุดติดอยู่กับตัวในตัวของมนุษย์เป็นประจำยืนตัวอยู่กับมนุษยชาติคู่กับความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่เป็นการรู้จักตัวเองของมนุษย์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 ทุกของชีวิตอีกสายหนึ่งตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดปริยสนาคือการสแสวงหาปริยสนาเป็นปัจจัยให้เกิดลาภะคือการได้มาโดยในยะเดียวกันเกิดวินิจฉัยคือการกะการเกิดฉันทราคะติดใกล้เกิดอโชสานะห่วงผววง์เกิดปริกหะรอบครอง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 เกิดมุสาวาดและประดาความชั่วร้ายทุจริตแพร่ระบาดเป็นปัจจัยให้อายุวันณะเสื่อมใครจะคิดค้นวิเคราะห์ทาการอะไรก็อาจจะลองทำแผนปัจจยาการขึ้นมาดูอิทับปัจจยตาปฏิจจสมุบาทหรือปัจจัยการนี้เป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรม และนามธรรมยกเว้นสภาวะที่เป็นปัจจัยไขคือหมดสิ้นปัจจัย